เทศในที่ประชุม ค, ครับวันที่ที่สองกันยายนสองพั้งร้อยห้านวัดสาบ้น า, บนบนานแปดจังหวัดอุดรทางการปฏิบัติพระจักจณาพึงเล่นดูเห็นคิดคือหลักสวัสดิ์ค้าแตธรรม ที่เป็นทมอันพระองค์เจ้าทรงกรับไว้ชอบแล้วเข้ามาเทียบเทียงกับความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจพ้องต้นอย่าให้เคลื่อนคาดไปจากหลักตัวขาตธรรมให้สังเกตทั้งทางกายทั้งทางวาจา ทั้งทางใจถ้าเคลื่อนไหวจากหรือผิดจากหลักของสสขาสว ข, ขาตธรทำแล้วเพิ่งทราบว่าเป็นไปเพื่อทางปิดอย่างน้อยก็เนื่นช้าอย่างมากก็เป็นมุนทิ้นแก่ตนเองเราทุกๆ ท, ท่าน ซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวเมืองเดียวกันในตระกูลเดียวกันต่างก็ระเหเร่ร่อนมาด้วยความเจตนาวังดีของตนแต่ละท่านละท่านถ้าพูดตามทางโลกแล้วเรียกว่าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นญาติเป็นนิด ต่างมารดาบิดาต่างบ้านเกิดเมืองนอนต่างเมืองต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างภาคแต่เมื่อพูดตามหลักของธรรมที่เราทั้งหลายได้ทรงอยู่นบบัดนี้เรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทที่จะแยกจากกันไม่ได้ญาติทางความเกิด ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันญาติทางความทุกข์ความลำบากความขัดข้องยุ่งเหยงต่างก็ได้ผ่านมาในทางสายเดียวกันญาติในทางนักบวชซึ่งเป็นผู้กนผมกลนคิว้วเพื่อสระสิ่งที่เป็นค่าสึกแก่ตนเอง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 สำหรับผมผู้เป็นหัวหน้าปกครองบรรดาท่านทั้งหลายเรื่องที่พวกเราทั้งหลายได้รับความร่มเย็นไม่มีการระแคะระขายในกันกันทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งด้านความเห็นอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันเนื้อเป็นบ่อกเกิด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 ยิ่งม่อนน้ำได้แตกไปเสียก็ยิ่งขาดประโยชน์เต็มส่วนของม้อนน้ำที่จะพึงได้รับผลมีเรื่องความที่ไม่ลรงรอยกันในเรื่องทิฏติความเห็นหรือปฏิปทาที่ปราดด้จากหลักธรรมคือเหตุผลก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่นี้ถ้าจะเทียบก็เหมือน ก, นกันกับว่าเวลานี้หม้อน้ำกําลังสมบูรณ์ไม่มีร้าหรือบินแม้แต่น้อยคือพวกเราทั้งหลายได้อยู่ร่วมร่วมกันด้วยความเป็นสุขมีเนื่องจากว่าต่างคนต่างมีทาเป็นเครื่องประจําใจของตอนเอง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 จะต้องเป็นไปจากส่วนหยาบส่วนละเอียดหมายถึงเรื่องของเราโดยเฉพาะที่จะพยายามปรับปรุงหรือพยายามสอบสวนควรดูหลักเหตุผลอันเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวในกายว่าจากใจของตนเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวซึ่เกิดขึ้นจากใจที่จะทำความสงบให้เป็นไปได้นะทางภายในที่เรา น บ, บัตตนี้กล่าวถึงเรื่องความสงบซึ่งเป็นไปในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันเรียกว่าเป็นที่นาอนุโมทนาการปกครองก็รู้สึกว่ามีความเบา อ, อกเบาใจไม่ได้เป็นอารมณ์สําหรับผู้เป็นหัวหน้าที่เกี่ยวกับบรรดาลูกศิษจะเป็นลายใดก็ตามแสดงความไม่เป็นที่ไว้วางใจในกิจยามารยาทอย่างนี้ไม่เคยปรากฏ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 ลายละรายพยายามปรับปรุงตนเองแต่ละท่านละท่านให้เข้ากับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วผลที่ปรากฏขึ้นให้เราทั้งหลายได้ทราบหรือให้ได้อยู่หรือได้เห็นประจักษ์ก็คือความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันนี่คือความสงบส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกกับหมู่เพื่อนแล้วพึง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 ความสงบส่วนกลางนั้นก็จะกลายเป็นความสงบที่สมบูรณ์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองและต่อจากนั้นก็จะพยายามสู้รบกันกันกบข้าศึกที่ไปรังควันหรือไปก่อเรื่อง ก, ก, กันกับความสงบที่ละเอียดโดยทางสติปัญญาอีกเช่นเดียวกัน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 เรื่องของสติกับปัญญานี้ตามขั้นของสมาธิหรือตามขั้นแห่งความสงจบจะปราศจากกันไปไม่ได้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดที่เราจะพึงช้าอยู่ตลอดเวลาตามฐานะแห่งปัญญาและสติของเรา <c oughs> เท่าที่จะพยายามฝึกผลกจิตใจของตนให้เป็นไปในความสงบขั้นไหนแล้วแต่อำนาจของสติแล้วแต่อำนาจ ข, ของปัญญาเ <c oughs> มื่อปัญญาของเรามีความละเอียดสามารถขึ้นเป็นลำหนับแล้ว เรื่องที่ว่าปัญญาอณุละเอียดนั้นไม่ต้องว่าเพราะเป็นสิ่งที่ฝึกซ้อมไปตามๆ ก, กันกับการฝึกหัดใจของเราให้เป็นความสงบตั้งแต่เบื้องต้น น, นี่การที่เราจับพิจรารณาหรือสอบสวนทบทวนเอาหลักเหตุผลเข้าไปจับที่หัวใจของเราที่จะเป็นความเคลื่อนไหวนับกับอารมณ์ที่มาสัมผัส ให้มีสติให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสวนครบควนกันอยู่เช่นนี้ความสุขความสงบหรือความสบายความแยกพะคายความเฉลียวฉลาดจะค่อยปรากฏขึ้นกับใจดวงนี้เมื่อใจของเราได้มีความสงบแล้วปัญญาของเราก็จะเริ่มพิจารณาคล่องแคล่วเป็นลำดับไปเมื่อจิตมีความสงบ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 กับความรู้ได้แก่ใจของตนเองแล้วก็สงบเข้าไปจนกระทั่งถึงหยุดหรือปล่อยวางคำบริกรรมทรงไว้ซึ่งความรู้อันเดียวมีความรู้รอบอยู่อันหนึ่งอันนี้ชื่อว่าสติรู้อยู่จำเพาะ <c oughs> จิตนิ่งก็รู้ว่าจิตนิ่งหยุดก็รู้ว่าหยุดจิตจะกระเพื่อมออกนิดก็ต้องรู้ทันที นี่คือเรื่องของสติมีประจําอยู่กับองค์แห่งสมาธิหรือองค์แห่งความสงบนั้นท่านี้คนคนเดียวนั่นเองผู้ปฏิบัติรายเดียวนั่นเองลักษณะของจิตไม่ใช่จะลงอย่างนั้นเสมอไปเช่นอย่างไรที่เคยลงได้อย่างเร็วๆบางการบางสมัยกลับลงอย่างเชื่อง้าก็มีนี่เพราะเห็นนั้นอาการแห่ง การลงของใจนั้นเราอย่าถือเป็นข้อข้องใจสิ่งที่เราจะถือสำคัญที่สุดก็คือว่าผลที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นของสำคัญผลที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นคือความสุขหและอาการที่จิตจะแสดงความกระเพื่อมอย่างใดไม่มีมีความรู้เพียงอันเดียวและมีสติรู้อยู่ว่าจิตของตนหยุด ผลรายได้เป็นอันเดียวกันอย่างนี้จะลงเร็วหรือช้าก็ตามจะลงลักษณะอาการใดๆก็ตามถ้าเราเพิ่งถือเอาผลคือความหยุดของจ่ายนั้นถือเอาความที่ว่าหยุดเป็นหนึ่งนี่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วให้เป็นนักวิภาควิจารณ์ในกายจวีภาคของตนกายทุกส่วน เป็นสภาพแห่งไต ร, รักทุกๆอาการเป็นใจ ร, รักในหลักธรรมชาติใครจะรู้ก็าตามใครไม่รู้ก็าตามสภาพนี้ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งไต ร, รักอยู่นั่นเองคาว่าใจ ร, รักคือความไม่เที่ยงนี่เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาและเราอย่าพึ่งทราบว่าความเป็นทุกข์ก็ดีความเป็นอนิจจังก็ดีความเป็นอนัตตาก็ดีนอกไปจากอาการหนึ่งหนึ่ง อยากเพิ่งทราบมาเป็นอย่างนั้นอาการเดียวนั้นเองพร้อมด้วยไตรลักษณ์อยู่แล้วอย่างสมบูรณ์เช่นอย่างอาการแห่งกายของเรานี้มีถึงสามสองอาการทุกทกอาการนั้นด้วนแล้วตั้งแต่เป็นไตรลักษณ์โดยหลักธรรมชาติอยู่ในตัวคำว่านิจังทุกขังกับอนัตตาจะแยกจากกันไม่ได้เพราะเห็นนั้นบรรดาท่านผู้พิจารณาจะพิจารณาชัดเรื่องของ ทุกข์ก็ตามเรื่องของนิจจังก็จะต้องแส ด, แสดงขึ้นกับทุกข์เรื่องอนัตตาก็จะพิจิตรความเป็นเราเป็นเขาอยู่ในตัวนั้นเสร็จนี่แต่ท่านแยกอาการออกว่าเป็นอนิจจังบ้างเป็นทุกข์ขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างเหมือนกันกับอาการแห่งกายของเหล่านี้แม้จะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนในธาตุของบุคคลผู้เดียวนี้ก็าตาม แต่เมื่อแยกออกไปแล้วธาตุนี้มีอยู่สี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้แต่ธาตุดินก็ยังแยกอาการเป็นเป็นหลายธาตุตั้งสามทิบสองอาการให้คิดดูแต่อาการใดก็ตามพึงทราบว่าคือดินนั่นเองน้ำจะแยกไปกี่ประเภทก็คือน้านั่นเองลมจะแยกไปกี่ประเภทก็คือลมนั่นเองไฟจะแยกไปกี่ประเภทก็คือไฟนั่นเองนี่ อาการแห่งอนิจจังทุกขังอนาตาก็คือไตรลักษณ์นั่นเองให้ทราบขันอย่างนี้ให้สอบสวนทบทวนวิพากษ์วิจารณ์ดูเรื่องไตร ล, ลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายของเราเราจะแยกคาในทางทุกขชอบพิจารณาในทางทุกมากก็ให้พิจรารณาชอบอนิจจังมากก็ให้พิจรารณาชอบอนาตามากก็ให้พิจรารณา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 ให้รู้ได้ชัดชดอย่างนี้ด้วยปัญญาของเราจะรู้ในใายลักใดก็ตามเป็นความรู้ที่จะคอถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาออกไดจากใจโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเราพิจารณาทั้งสามไตรลักษณ์เรื่องของปัญญาจะวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติอันเดียว แต่มีลักษณะถึงสามประการในวัตถุหรือในอาการอันเดียวนี้ไม่ใช่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีอยู่ในวัตถุอันเดียวในชิ้นเดียวนั้นเต็มไปด้วยไตรลักษณ์เมื่อปัญญาได้สอดส่องเข้าไปเห็นเรื่องของทุกข์ก็แสดงว่าเห็นไพรอยู่แล้วเห็นเรื่องอ น, นิจจงก็เห็นแสดงว่าให้เป็นเรื่องที่เห็นไพรอยู่แล้วเห็นเรื่องอนัตตก็เป็นอันบอกอย่างชัดเจนว่าคือตัวไพร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 ชอบค้นคว้าด้วยปัญญาวันหนึ่งวันหนึ่งจะเกิดขึ้นมากี่ครั้งกี่หนไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเราโง่เราไม่ได้โง่ถ้าเราได้ยังความรู้สึกของเราลงในอวัยวะคือท่อนแห่งกายนี่แล้วเรื่องความรู้สึกที่แปลกประหลาดจะปรากฏขึ้นมาในสถานที่นี้โดยไม่ต้องสงสัยความชะเลียวชรารด ไม่ได้มีอยู่ในที่ไหนไหนสติก็ไม่มีอยู่ในที่ไหนไหนท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานสี่กายหนึ่งเวทนาหนึ่งจิตหนึ่งธรรมหนึ่งนี่เป็นที่ตั้งของสติหรือเรียกว่าเป็นที่บำรุงสติเป็นที่บำรุงปัญญาเป็นที่เพาะปลูกสติเพาะปลูกปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัว เมื o, ่อเรายังมีความโง่อาการทั้งหลายเหล่า like, นี้ก็เป็นข่าศึกต่อเรากายก็ก็กลายเป็นข่าศึกเวทนาก็กลายเป็นข่าศึกจิตก็กลายเป็นข่าศึกทำก็กลายเป็นข่าศึกเมื่อเราได้ยังสติลงที่จุดนี้อย่างปัญญาลงที่จุดนี้กายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเวทนาก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาจิตก็กลายเป็นธรรมขึ้นมา ธรรมก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาในหลักธรรมชาตินี่เพราะนั้นท่านจึงเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือหินลับของสติของปัญญานั่นเองแต่ผู้ไม่ฉลาดเอามีดไปฟันหินมีดก็ต้องเสียนี่ถ้าผู้ไม่ฉลาดถือหินลับนี่ว่าเป็นตนกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นข้าสึกแจก่คนโง่ผู้นั้ น, นเพราะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสติปัฏฐานทั้งสีนี้ ไม่สอนว่าให้เอามีดไปฟันหินไม่สอนว่าถือกายเวญนาจิตธรรมนี้ว่าเป็นตนแต่ตรงกันข้ามสอนว่าพิจารณาถึงเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้ต่างหากเพราะนั้นสติจึงตั้งได้ที่กายเวทนาจิตธรรมปัญญาจึง มีความเฉื่อยวฉลาบ ร, รู้รอบครอบตอนเองขึ้นได้ด้วยหลักแห่งธรรมทั้งสี่ประเภทนี้คือกายเวทนาจิตทร้มนี่บ่อแห่งความเฉื่อยวฉลาบบ่อแห่งความรู้รอบอยู่ที่นี่จงตั้งลงสู่ที่นี่การเรียนมากเรียนน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะไปร่าไปเรียนศึกษาให้ได้มา ก, มาก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 เด็กเ็กเด็กน้อยเขาเคยรู้กิเลสเมื่อไรทําไมธรรมชาติอันนี้จึงมีฝังหัวใจของเขาและเราผู้ใหญ่เขาเหมือนกันไม่เคยมีโรงร่ำโรงเรียนที่ไหนท่านมาเรียนตั้งแต่ทำทั้งนั้นไม่ได้เรียนวิชากิเลสเหตุใดกิเลส จ, จึงมีเต็มหัวใจของเราทุกๆท่านเพราะเหตุใดเพราะกิเลสเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นกับใครและไม่เข้ากับใครไม่ออกใครทั้งนั้นเป็นผู้มีความเที่ยงธรรม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 มันผูกตนทั้งตนอยู่ที่จุดไหนให้พิจารณาตนทั้งตนแก้ไขลงที่จุดนั้นจะพ่ออย่างยิ่งเวลานี้ไม่มีอันใดที่เป็นค่าศึกต่อเราซึ่งเป็นของยอดเยี่ยมที่สุดนอกไปจากกายเวทนาจิตธรรมนี้นี่ความหลงก็หลงกายนี้มาเป็นเรารักก็รักกายนี้ชังก็ชังกายนี้ทุกข์ก็เกิดขึ้นในกายนี้จิตได้รับความเดือดร้อนก็เพราะเรื่องแห่งกายนี้อธรรมธรรมจะหมายเอาอะไร ก็กายเวทนาจิตนี้เองรวมลงแล้วเรียกว่าธรรมทีนี้เราพยายามที่จะพิจารณาใจของเราในสติปัฏฐานสี่ด้วยสติด้วยปัญญาไกลกรองอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีการงานคือสติปัฏฐานสี่เท่านั้นเป็นงานเป็นทางเดินเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัย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 ในสัตว์ไม่เป็นของสําคัญสําคัญที่มูลคราบมูลไถแหลกละเอียดแล้วเป็นพอนี่การพิจารณาจะเร็วหรือช้าก็ตามไม่เป็นของสําคัญสําคัญที่สุดก็คือว่าพิจารณาจนเข้าใจเเมื่อข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วเมื่อไรนั่นแหละเป็นผลสะท้อนย้อนมาให้เราได้รับความสุขให้เราได้รับความเฉลียวฉลาดให้เราได้เห็นโทษเห็นไป ให้เราได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นค่าสึกนี้ได้ปราศจากความถือว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาเสียได้ด้วยอำนาจของปัญญานี่ให้พิจารณาเข้ามาที่นี่มีหลักแห่งการพิจรารณาเราจะเห็นว่าพิจารณามากไปหรือน้อยไปงานของเราที่ทำในวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ต้องว่าเราทางานน้อยไปหรือมากไปให้สาเร็จ การเลี้ยงคีได้าอย่างน้อยต้องให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นให้มีการได้ซื้อได้ขายได้ร่ำได้รวยเงินมาไว้สำหรับเป็นความสะดวกแก้ขัดแก้จนของเราในคราวจาเป็นนี่ไม่ต้องถือว่างานน้อยหรืองานมากไม่ต้องถือว่าหนักมากเบาเมื่อเหนื่อยหรือหิวแล้วก็มาพักผ่อนร่างกายหรือรับทานอาหารพักให้สบาย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 เราไม่ต้องว่าเราพิจรารณามากหรือพิจารนาน้อยพิจรารณาจนมีความเข้าใจเป็นลำดับลาดับเมื่อมีการเหนื่อยจิตอยากจะพักก็ให้เข้าพักในเรือนคือสมาธิการพักของจิตจะพักนานหรือไม่นานก็าตามขึ้นอยู่กับความเพียงพอของใจเช่นเดียวกับเรานอนหลับจะนอนหลับมากหรือน้อยก็าตามขึ้นอยู่กับ ความเพียงพอของาธาตุขันแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ประกอบการงานได้มีลักษณะของการพักสมาธิก็เช่นเดียวกันจะพักอยู่สักกี่ชั่วโมงก็าตามไม่เป็นของจำเป็นที่เราจะต้องถอนขึ้นมาเอาเฉยเฉยรอให้พักอยู่นั้นจนเพียงพอแก่ความต้องการของจิตแล้วถอนขึ้นมาเองเมื่อจิตได้ถอนขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ที่เราจะต้องพินิจพิจนนารณา ในสติปัฏฐาน <c oughs> สี่ <c oughs> คือกายเวทนาจิตธรรมด้วยปัญญาของเราเป็นลำหนับลำหนับไป <c oughs> การพิจาร์เรื่องของกายแยกส่วนแบ่งส่วนขยายให้โตบ้างทำให้เล็กบ้าง <c oughs> แล้วแยกออกจะเป็นกองเนื้อกองหนังในส่วนใดๆก็ตาม และกำหนดให้ละลายหายศูนย์ไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลจากความเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นต้นจนกลายลงเป็นธาตุเดิมคือดินน้ำลงไปแหนปรุงขึ้นมาใหม่พิจารณาอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจะได้สักกี่เที่ยวหรือกี่รอบไม่เป็นสิ่งที่เราจะไปพิมนวณผลลายได้ที่ปรากฏขึ้นจากใจของเราคือความฉลาด ความหายสงสัยในส่วนแห่งกายไปทุกวันทุกวันเป็นลําดับอย่างนี้เป็นความต้องการของเราจนกระทั่งถึงว่าใจของเรามีความเพียงพอต่อส่วนแห่งกายนี้แล้วจะรู้เท่าทันในส่วนแห่งกายนี้โดยทางปัญญาแล้วปล่อยวางได้อย่างสนิทไม่มีอันใดที่จะมาเป็นเครื่องติดติดิตดใจหรือซึมซาบมากายนี้เป็นเราเป็นของเราได้อีกแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นความเพียงพอของ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 ธาตุใจของเรามีความสุขเพราะการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในตัวของเหล่านี้ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมานี่เรียกประสุขเกิดขึ้นจากมัคคือเกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาถ้าสุขมีความลื่นเดินบันเทิงไปในทางโลกทางสงสารแสดงว่าสุขนี้เกิดขึ้นทางด้านสมุทยัยให้เรารู้ชัดอย่างนี้เรื่องของทุกข์ก็พึงเทียบเทียงกันเช่นนี้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 แต่เมื่อเราย้อนกลับมาพิจรารณาครั้งหลังนี้เป็นแต่เพียงว่าพิจรารณาโดยวิหารธรรมให้เป็นความสะดวกกายสบาใจซึ่งระหว่างขันธ์กับจิตได้อาศัยกันอยู่เป็นความสุขความสบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่มีความมุ่งมา่นาถนาส่วนใดอื่นซึ่งนอกไปจากให้เป็นความสะดวกกายสบาใจในระหว่างทิฏฐธรรมที่มีชีวิตอยูอย่ีเท่านั้น การพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณมีลักษณะสองประเภทลักษณะสองประเภทนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสภายนอกคือมีสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสปรากฏเป็นความปรุงหรือความจำหมายขึ้นมาความรับรู้ขึ้นมา อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาก็ตามสัญญาจะไม่ปรากฏก็ตามวิญญาจะไม่ปรากฏก็ตามเป็นเรื่องของปัญญาร้วนๆจะต้องพิจารณาได้โดยไม่ต้องมีสิ่งอันใดมาทําให้กระเพื่อมแต่พึงทราบก่อนว่าเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรข้อสังขารนั่นเอง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 ก็คือสังขารนั่นเองเรียกว่าสังขารฝ่ายสมูทัยอย่างหนึ่งสังขารฝ่ายมากอย่างหนึ่งคือสังขารฝ่ายผูกมัดตนเองนั่นเรียกว่าสังขารฝ่ายสมูทัยสังขารฝ่ายเรื่องหรือฝ่ายแก้ไขตนเองท่านเรียกว่ามักคือปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้สังขารจะไม่ปรุงในส่วนสมูทัยก็ตามสังขารที่เป็นตัวปัญญาสามารถที่จะปรุงพิกแพลงในเรื่องอันใดให้เกิด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 ปรากฏเป็นขึ้นมาประชุมกันเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาอืเรื่องของเมทนาก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่เป็นเรื่องของใจก็ตามแต่ก็ออกมาจากใจสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันหานี้แต่ด้อย่างละอย่า ง, างก็ต้องออกมาจากใจเมื่อปัญญาเราได้พินิษ์พิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาในเรื่องร่างกายจนเกิดความชำนิชำนาญ แม้ที่สุดจะกระเพื่อมขึ้นเมื่อไรก็ทราบถึงจะดับไปแล้วก็ตามก็ทราบทั้งเรื่องความเกิดขึ้นดับไปแห่งเมตนาสัญญาสังขารเห็นยาแต่ละอย่างละอย่างทราบทั้งความที่ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นจากอะไรแล้ดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจะตั้งขึ้นก็ตามไม่ตั้งขึ้นก็ตามจะตั้งอยู่ก็ตามไม่ตั้งอยู่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะให้ทราบชัดถึงเรื่องสมุทฐานที่เกิดของอาการทั้งสีทั้งหานี้ ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนทีเรื่องปัญญาเมื่อได้ทราบชัดเป็นลำดับลำดับตรงไปเรื่องการที่เราจะไปตาหนิติดโทษในรูปเสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสมันก็หมดปัญหาไปแล้วนอกจาก เ, าเราจะตาหนิติดโทษของเวทนาสัญญาสัางขารหินญยานหรือของรูปกายของเราเท่านั้นเมื่อพิจนารณาในส่วนนี้เห็นชัดอีกแล้ว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 เห็นชัดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เกิดแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณแห่งเวทนาว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่ความตำหนิที่ชมในรูปกรณีในเวทนาของตนก็ดีในสัญญาสังขารวิญญาณของตนก็ดีก็หมดเข้าไปเป็นดำับนี่และสิ่งที่เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสที่นี่เมื่อรูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาในส่วนแห่งกาย สัญญาก็เป็นชั้นชัญญาชังขานก็เป็นสังขานไม่เป็นกิเลสแล้วอะไรเป็นกิเลสรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณไม่ใช่กิเลสมันก็รู้ชัดผู้ใดเป็นผู้หลงนั่นมันจะย้อนเข้าไปธรรมชาติที่ไม่รู้ไม่มีอันใด ห, หลงความที่รู้นั่นเองเป็นเหตุที่ให้เกิดความหลงขึ้นมาได้นี่เมื่อเป็นฉชนนี้ความรู้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่ง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 ปัญญาก็จดจ่อวินิจฉัยในสภาพที่รู้กับทิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความรู้คืออาการของจิตที่เคลื่อนไหวแพบก็เกี่ยวถึงความรู้อ น, นั้นทันทีก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงผู้รู้นั้นเราได้เห็นว่าเป็นตัวโทษเห็นว่าเป็นตัวคิดอย่างชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้ว เราจะทนถือฟูรูนี่ว่าเป็นเราได้อย่างไรเราจะทนถือฟูรูนี่ว่าเป็นความฉราดได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของกิเลสดีๆเพราะได้เห็นชาติ ด, ด้วยปัญญาแล้ว น, นี่ตอนนี้ธรรมชาตินี้จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้ทันท่วงทีหรือพอแก่กาลังของตอนแล้วธรรมชาติอันนี้จะต้องขาดกระเด็นลงไปทันทีไม่มีอันใดเหลือ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 ไปเที่ยวหาเรื่องหาราวเกิดคดีฟ้องร้องในตัวเองแล้วก็ลุกลามไปหาสิ่งภายนอกให้กลายเป็นคู่ความตามกันไปเท่านั้นนี่สภาวะธรรมทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ในขณะที่ธรรมชาติที่ลี้ลับได้ตกสูญหายไปและในขณะเดียวกันธรรมชาติที่แท้จริงเป็นทาก็ได้ปรากฏ เกิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันกับธรรมชาติที่ลี้ลับคือความรู้ที่เจือเพราะด้วยความหลงนั้นได้สลายตัวลงไปเท่านั้นทำ ธ, ธรรมชาติที่ว่ารู้อันนี้ที่เป็นรู้ในหลักธรรมชาตินี้กับสภาวะธรรมทัางหลายก็กลายเป็นจะเรียกว่ากลายเป็นสหายกันก็ได้ หรือว่าจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสมอภาคด้วยกันก็ได้ต่างก็วมามีอันใดที่จะตำหนิติดชมต่ออันใดรูปทั่วทั้งโลกธาตุก็เห็นเป็นไปตามความจริงของรูปในความตั้งขึ้นในความตั้งอยู่ในความดับไปของรูปเวตนาแม้จะมีอยู่ในส่วนแห่งกายก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพความจริงอันหนึ่งหรือเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีเครื่องสัมผัสทั่วทั่วไป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 เราเป็นผู้โกหกพูดเดียวเท่านั้นหรือเราเป็นผู้หลงเราเพียงอันเดียวหรือเพียงคนเดียวเท่านั้นเลยกลายไปทาําโลกกระฐานขอบเขต จ, จักรวาลให้เป็นเรื่องเป็นราวตามๆเราไปหมดสิ่งทั้งหลายอนั้นเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดคดีคู่คำ ก, กันกับเราทั่วทั้งลินแดน พอเราได้ปรากฏเป็นความรู้ที่ยุติธรรมขึ้นมาเท่านั้นสภาวะทั้งหลายก็กลายเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดนี่แหละเรียกว่ายกถาภูตังญาณทัตสนังความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาพแห่งหลักธรรมชาติของตอนด้วยปัญญา อย่างแจ้งชัดแล้วสภาวะทั่วๆไปจึงกลายเป็นความจริงเสมอหน้ากันไปหมดนี่เรียกว่ายาภูตังเ ง, งินทัศนังทั้งรู้ทั้งเห็นในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงทั้งข้างนอกทั้งข้างในไม่มีอันไหนลี้รับกลายเป็นสภาวะเปิดเผยไปเสียสิน้นเพราะธรรมาชาติที่ลี้รับคือตัววิชานั้นได้ดับไปเพียงดวงเดียวเท่านั้น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 นั่นแหละที่นี่ตาก็ไม่เป็นภัยหูก็ไม่เป็นภัยจมูกลิ้นกายไม่เป็นภัยเพราะใจไม่เป็นภัยรูปเสียงกิ่นลดเครื่องสัมผัสก็ไม่เป็นคู่เวรไม่เป็นศัตรูต่อใครกิ่นลดเครื่องสัมผัสทั่วทั้งขอบเขตจักรวาหลหรือไรโลกธาตุประกาศเป็นคู่มิตรในเสียงเดียวกันหมดนี่เรียกว่าสุขะโตข้างนอกก็เป็นสุขะโตเพราะข้างในไม่มีภัย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 ในการดําเนินของตนเองตั้งแต่ส่วนยาตามที่อธิบายแล้วเบื้องตน้นจนกระทั่งมาถึงส่วนกลางคือเรื่องของสีเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจนมาทั้งกระทั่งถึงส่วนปลายได้จากผลซึ่งเกิดขึ้นจากอํานาจของศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติของเราทุกๆท่านพระพุทธเจ้าจไม่ได้ทรงผูกขาดไม้สําหรับพระองค์เดียวเป็นสาธารณะสมบัติ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 ผลที่จะพึงได้รับก็เป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติแล้วอาการิโกเมื่อได้ปรากรุดเต็มที่แล้วบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีกลางวันกลางคืนไม่ได้มีไม่มได้มีหลับมีตื่นเป็นของบริสุทธิ์อยู่นั้นเรียกว่าอาการิโกบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเฮฮิปัสซิโก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 ได้มีความอาถรรพ์น่าเริงต่อความเป็นอยู่ความทำอยู่ความประพฤติอยู่ของตนความหิวความกระหายความลำบากลาคาญเป็นเรื่องของขันจะต้องมีด้วยกันทุกคนความทุกข์ในทางใจเชื่อว่ามีกิเลสต่แล้วจะเป็นส่วนหยากส่วนกลางส่วนละเอียดต้องรังควันเราให้ปรากฏอยู่เสมอให้พึงทราบว่านั้นคือหนามยอกหัวใจ พยายามถอดถอนออกให้จนได้การตะเกียกตะกายเพื่อการถอดหนามการตะเกียกตะกายเพื่อขึ้นจากหลุมมุดหลุมคูดยาถือเป็นความลำบากกว่าที่เราจะนอนอยู่ในหลุมมุดหลุมคูดหรือกว่าที่จะยอมให้หนามจมอยู่ในหัวใจของเราโคกเพื่อก้าวโคกเพื่อออกจากทุกข์ทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติ เป็นทุกข์ที่พระ อ, องค์เจ้าทรงสัเสนไม่ใช่ทุกข์เพื่อจะเข้าเป็นเรื่องทุกข์เพื่อจะออก <c oughs> เป็นทางที่ถูกตามที่พระ อ, องค์เจ้าทรงดำเนินมาแล้วย่อมได้รับทุกข์เช่นเดียวกับบรรดาเราทั้งหลายยาพึงทราบมาสุขจะเกิดขึ้นมาล้ว น, วนโดยปราศจากเหตุผลคือการดำเนิน วันนี้ได้แสดงธรรมะตั้งแต่ขั้นความสะดวกความสงบเบื้องต้นสงบสบายในระหว่างหมู่เพื่อนย้อนเข้าไปถึงความสงบสบายในระหว่างจิตใจกับอารมณ์เป็นความสงบเป็นชั้นชั้นจนกระทั่งถึง เตสร้างบูปะสมุสขโข ค, ความสงบอันยิ่งยวดนั้นได้แก่การระงับดับเสียซึ่งสังขารอันก่อกวัให้เกิดเตื่องเกิดราเกิดความทุกข์ทรมานต่อไปสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยได้ดับสิ้นเอหมดแล้วยังเหลือตั้งแต่สังขารประจำขันหานี่ท่านเรียกว่าเตสร้างบูปะสมุสขโขไม่เป็นปัญหาอะไรกับสังขารประจำขันห้า พระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีจนกว่าว่าท่านจะนิพพานเสียเมือ่อใดขันทั้งห้านี้จึงจะกลับสลายลงไปสู่สาภาพเดิมของเขานี่เพรเห้นั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้มีแก่จิตแก่ใจสะระมาจากบ้านจากเรือนทั้งไกลทั้งไกลมาด้วยความเต็มอกเต็มใจจงฟังให้ถึงจิตถึงใจปฏิบัติให้ถึงขีดถึงแดนตายที่ไหนแล้วเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับร่างอันนี้ ป่าชาของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนต้นไม้ภูเขาที่ไหนก็ตามล้มลงแล้วใครจะเอาไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ยอมแพ้คือเรื่องความเพียร น, นี่ขอให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นหลัก ห, หัวใจจะเป็นผู้ถึงซึ่งแดนแห่งความบริสุทธิ์ได้เพราะหลักความเพียรหรือหลักแห่งความกล้หาญอันนี้และขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านผู้กท่านทั้งหลายทุกทั่วน้ากัน โอ้ yeah.